ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโต ต, ตอนที่ห3บสาเรื่องอุโบสถยังพูดกันต่ออีกสักหน่อยที่วันนั้นท่านสุรเดชหรือใครถามที่ว่าสมัยปัจจุบันนี้หยุดงานเสาร์าอาทิตย์ไม่ตรงกับวันอุโบสถวันพระใช่ไหมฮะก็<อ> นั่นสิก็หมายถึงคารรืหัตสิหมายถึงคการารื้อห่อเป็นอุโบสถของคารรื้อหัตแล้วก็จะทํำยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดต่ออีกคือที่จริงนั้นอุโบสถเนี่ยเป็นเรื่องของกิจกรรมแล้วก็ต่อมาก็มาเรียกชื่อวันด้วยเป็นวันอุโบสถเพราะว่า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 ในยุคก่อดพุทธกาลโน้นอย่างเรื่องในชาดกเนี่ยก็จะมีว่าคนเข้าจําอยู่อุโบสถจําอุโบสถก็คือว่าถืออุโบสถเด๋ยวนี้ม่ค่อใช้คําว่าจําอุโบสถละใช้คําว่าถืออุโบสถแล้วเขาถือเดือนละสามวัน แล้วท่านก็อธิบายว่าสามวันนี้ได้กับวันหนึ่งค่ำแปดค่ำและสิบเอ็ดค่ำเห็นว่าไม่ตรงกันการที่ถือในพุทธศาสนาในปัจจุบันแล้วก็ท่านก็อธิบายด้วยบอกว่าและอุโบสถในสมัยนั้นก็หมายถึงการไม่กินข้าวก็อย่างที่ผมเคยอธิบายไปแล้วว่านอกพุทธศาสนาก็มีมาเรื่องประเพณีการอดอาหาร อุโบสถหมายถึงการไม่กินอาหารไม่ได้หมายถึงการรักษาข้อปฏิบัติ8ข้อแต่ท่านยังจำกับไว้ด้วยบอกว่าอุโบสถที่หมายถึงการถือข้อปฏิบัติ8ข้อคือศีล8เนี่ยมีเฉพาะในพุทธกาลเท่านั้นหมายความว่ามีเฉพาะเมื่อพระพุทธเจ้าอุปัตติขึ้นมาแล้ว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 พัฒนาตัวในด้านจิตใจด้านปัญญามากขึ้นหรือไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอันนี้มาในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าบัตรแล้วที่ว่าบัญญัติให้ถือศิกขาบท8ข้อโดยใช้คำว่าอัดถังคะหรืออัดถังคะสมณาคตะเวลารักษาศีลุโบสถเนี่ย จะมีคำกล่าวคำสมาทานก็จะมีอัตถังคสมนาคตังอุโปโสถังอุโบโสถอันประกอบด้วยองค์แปดองค์แปดก็คือที่ว่าเนี่ยที่เราเรียกกันศีแปดเรียกเป็นภาษาชาวบ้านในพุท ธ, ธการเองนี่ก็ตามหลักฐานก็มีสามวันคือวัน 14-15 ค่าคำและวัน8คำ่ำในสมัยพุท ธ, ธการคงจะถือ ทั้ง14ค่ำทั้งสิ้าค่ำแล้วก็ทั้ง8ดค่ำไม่ใช่หมายความมาถือ14บสี่ค่ำจะพอเดือนขาดคือหมายความว่าถือตรงไปตรงมาตามเลขที่วันเลยว่าอย่างวันขึ้นมีทั้ง1 4 1สบหค่ำก็ถือทั้ง 14-15 ี่สบห้าค่ำแล้วก็มีแดค่ำ 14-15 ี 14, ่สห้าค่ำปากหนึ่งก็มีสามวันทีนี้ถ้าข้างแรม ข้างแรมเต็มมันก็เท่ากันอีกสามมันก็เป็นเดือนละหอันนี้ถ้าข้างแรมเดือนไหนเดือนขาดก็ข้างแรมก็เหลือสองวันเพราะฉะนั้นก็จะมีหลักฐานมาในคัำพีอย่างบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารรักษาอุโบสถเดือนละหวันใช่ไหมอุโบสถเดือนละหวันก็นี่แหละ8ดค่าสิบสี่สบห้าค่ำเดือนเต็มถ้าเดือนขาดก็เหลือห้าวัน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 อุโบสถวัน14 15, 15 18, ี่สิบ้าค่ำแค่ำและปาติหาริยปักขะซึ่งเป็นอุโบสถอีกชนิดหนึ่งเคยได้ยินไหมะฮ ะ, ะเป็นอุโบสถอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าปาติหาริยปักหรือปาติหาริกะปักขะหรือบางทีก็ตัดปักขะออกหรือปาติหาริยาาอุโบสถแล้วยังมีอุโบสถชนิดหนึ่งเรียกว่าปฏิชาคราอุโบสถเลยาปาเป็นสมชนิดเลยมีหนึ่ง อุโบสถที่ว่าเมื่อกี้ที่ว่าวัน1 4บ5ี่าค่ำและ8ดค่ำนี่อย่างนี้ไม่ต้องมีคํานําถ้าเวลาไปอยู่กับชุดอื่นก็เรียกชื่อเติมเข้ามาว่าปกติอุโบสถพอมีปฏิชาคราอุโบสถกับปาฏิหาริย์อุโบสถก็เลยเรียกอุโบสถที่ถือตามปกตินี้เป็นปกติอุโบสถก็ไปอ่านว่าตอนนี้มี3ามชนิดหนึ่งปกติอุโบสถ 2. ปาติชาคระอุโบสถ 3. ปาติหาริยอุโบสถนะเอาลสิทีนี้ชักเยอะแล้วปกติอุโบสถมีปักละสามวันมาสมัยอัตกถาเพิ่มอีกวันอีกบอกว่าห้าคำแปลว่าวันปัญจะมีคือวันห้าคำกลายเป็นว่าเดือนหนึ่งมี แวันอุโบสถในวันอุโบสถปกติในยุคที่อธิกถาเรียกนะมี8วันข้างขึ้น4วันข้างแรม4วันนี้ถ้าหากว่าเดือนขาดก็แสดงว่าเดือนนั้นก็เหลือ7วันเอาไปว่าถ้าเต็มก็ปกติอุโบสถหรืออุโบสถปกตินี่มีตั้งเดือนละ8วันนะก็มีห้าคำแปดคำสิบสี่คำสิบห้า มายุคหลังนี้เราก็ไม่มีแล้วนี่มันจะมีอุโบสถอุโบสถห้าคำนี่ยุคอุตสาหมีถึงสี่วันนะฮนี่ขนาดปกติอุโบสถก็ไปอา่านวัดตั้งคอสังเกตไว้ตอนนี้ว่ายุคพุทธกาลนี่ก็มีแค่8ดข้ามสิบสี่สิบห้าค้าอ้าวทีนี้มาปฏิชาคระอุโบสถคื อ, อย่างไรก็เพิ่มเข้าจากปกติอุโบสถ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 หคำนี่เพิ่มเข้ามาอีกวันรับวันส่งก็เพิ่มอีกสองวันใช่ไหมไอ้นี้วันแปดค่ำวันรับก็คือเจดคำวันส่งก็เก้าคำแสดงว่าวันุโบสดแทนที่จะถือเช่นว่ากรณีที่ถือวันใดวันหนึ่งนะก็เพิ่มเข้ามาหน้าหนึ่งหลังหนึ่งเป็นสามเลยใช่อนี้พอสิบสี่ค่ำก็วัน ก่อนวันรับก็คือวันสิบสาค่าใช่ไหมทีนี้14บสี่ส้าติดกันสองวันก็ต้องไปวันหนึ่งค่าโตลงเยอะกันใหญ่นี่ปฏิจชาคราอุบโบสถก็คืออุโบสถของผู้ตื่นตัวขนขวายมากก็เลยมีทั้งวันรับวันส่งอีกเพิ่มจากปกติอุโบสถเข้าไปตั้งกี่วันแล้วเพอมีปฏิชาคราอุบโบสถเข้าไปปรากฏว่ามีใน ข้างขึ้นห้าข้างแรมหกเนี่ยก็เยอะปรากฏว่าเป็นวันที่ไม่รักษาโบสถสอยู่ในเดือนขาดมีสิบแปดวันเดือนเต็มไม่รักษาอโบสถอยู่แค่สิบเก้าวันเนี่ยแสดงว่ารักษาอโบสถเยอะเลยเอานะเอาจำง่ายง่ายว่าปฏิชาคระอุโบสถอุโบสถของผู้ตื่นตัวขนขวายมากเนี่ยน่ยคือ รักษาเพิ่มในวันรับและวันส่งของวันอุโบสถปกตนะิก็พูดอีกอย่างนะว่าอุโบสถแบบมีวันรับวันส่งซึ่งจะทําให้มีการรักษาอุโบสถหรืออยู่จําอุโบสถเนีมากจนกระทั่งว่าในเดือนเต็มมีวันที่ไม่ได้รักษาอุโบสถอยู่11วัน แล้วก็ในเดือนขาดมีวันไม่รักษาอุโบสถอยู่เพียงสิบวันก็ตกลงว่าเป็นวันรักษาอุโอบสถสําหรับเดือนเต็มมี19วันเดือนขาดรักษาสิบแปวันเมื่อกี้นี้ผมดูจะพูดกลับกันนะต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่าเป็นวันรักษาอะมากวันรักษานี่เดือนเต็มรักษา19วันเดือนขาดรักษาสิบแปวันถ้านับวันที่ไม่ได้รักษาอโอบสถก็เดือน ขาดไม่ได้รักษาสิบวันเดือนเต็มไม่ได้รักษาสิบเอ็ดวันเอานะนี่คือปฏิชาคราอุโบสถเห็นจะหายากนะเดี๋ยวนี้พอ ร, รักษาอุโบสถปกติก็ยังหายากแหละนี่ปฏิชาคราอุโบสถนี่ขนขวายเอาจริงจังมากนี่ต่อไปก็มีปาติหาริยอ์อุโบสถอีกปาติหาริย์อุโบสถอุโบสถที่รักษาประจําปีนะ รักษาประจำปีเป็นช่วงยาวเลยนี่รักษากันตลอดท่านบอกว่าสี่เดือนตลอดฤดูฝนเลยนี่ก็หมายความพอเริ่มฤดูฝนเดือนแปดก็เอาเลยใช่ไมตลอดไปจนกรทั้งหมดฤดูฝนอย่างกระจำราษานี่ยเลยมันก็แสดงว่าพระจำรรษานี่โยมก็รักษาอุโบสถนี่ก็ ปฏิปาติหาริยะอุโบสถก็ทําให้คาริหัดนี่เหมือนก็มีการจําพรรษาใช่ไหมรักษาสเดือนตลอดฤดูฝนอ่าพระมีจำพรรษาโยมก็มีปาฏิิหาริย์อุโบสถรักษาตลอดสเดือนเลยทียนี้สําหรับปาฏิหาริย์อุโบสถนี้ก็มีคําอธิบายขออ้อจากถานต่างๆกันไปจนกระทั่งชักฟันฝือคือบางทีก็บอกว่ารักษาตลอดไตรมาา ในฤดูฝนเนี่ยเอาแบบพระจำพรรษาแล้วก็ถ้ารักษาไม่ได้ขนาดนั้นก็เอาแค่เดือนเดียวถ้าไม่ได้เดือนหนึ่งก็เอาแค่ครึ่งเดือนแล้วก็จะบอกช่วงระยะเวลาด้วยในที่นี้ผมจะไม่เอามาเพราะจะทําให้ฟันเฟือกว่า ก, ก็รวมความว่าปาฏิหาริย์อุโบสถเนี่ยรักษากันประจําปีเลยเป็นช่วงยาวถ้าตามมาตรฐานก็4เดือนฤดูฝน ถ้าสั้นมาก็สามเดือนอาจจะเดือนเดียวอาจจะครึ่งเดือนก็ได้แต่ก็หมายความเป็นช่วงต่อเนื่องกันไปเลยนะแล้วเป็นประจําทุกปีเป็นนิพพัทธอุโบสถนิพพัทธอุโบสถและอุโบสถประจําปีในที่นี้หมายถึงประจําปีตัวศัพท์แปล ว, ว่าประจําเฉยๆก็หมดแล้วนะฮะเป็นอันว่าอุโบสถมีสามแบบสําหรับคาริหัดโดยเฉพาะเลย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 เปลี่ยนไปทําเมื่ออื่นก็ได้ใช่ไหมในวันอื่นก็ได้แม้แต่อุโบสถของพระสงฆนะ์ก็ยังมีอุโบสถที่ไม่จําเป็นจะต้องมาทำนะของพระเราเรียกว่าทําอุโบสถอุโบสถของพระนี่ก็ไม่ใช่จำเป็นจะต้องมาทําในวันสิบสี่สิบห้าคำเสมอไป ถ้าสงแตกกันนี่สามัคคีกันได้เมื่อไรให้ทําได้เมื่อนั้นเลยนี่ท่านเรียกว่าสามคัคคีโบสถ <c oughs> ก็ไปอลนว่ามีอุโบสถแม้แต่ของพระสงฆ์ที่ไม่ได้ทําในวัน14บสี่สบห้าคัมคือทําในวันไหนก็ได้ถ้าสง์ที่แตกกันสามัคคีกันเมื่อใดก็กระทำเมื่อนั้นเรียกว่าสามัคคีโบสถ์สอุโบสถตามปกติก็คือ14บสี่สบห้าคัมแล้วก็14บสี่สบห้าคัม ในขึ้น15คหาคำและแรมสิบหําคำเดือนเต็มถ้าเดือนขาดก็14แรมสิบส่คำในเมื่อกิจกรรมต่างจากวันเพราะนั้นก็ย่อมเป็นไปนได้ที่ว่าเราจะสามารถกำหนดวันอุโบสถขึ้นมาแม้ว่าในพุทธศาสนาจะลงตัวพอสมควรก็ยังเห็นได้ว่ามีการไม่ต้องพูดถึงว่าหนึ่งนอกพุทธการนี่วันอุโบสถก็ เป็นวันหนึ่งข้าม8ข้าม1ิข้ามใช่ที่ว่ามาแล้วไม่ต้องพูดถึงอันนั้นก็ได้แม้แต่ในพุทธศาสนาเองก็ยังมีอุโบสถที่รุ่นอัจฉรเติมเขมาวันห้าคำใช่ไหมเออแล้วก็ยังมีอุโบสถของครุหัตที่มีหลายแบบเป็นปฏิชากระอุโบสถเป็นปาทิหาริยอุโบสถ แล้ยังอุโบสถของพระสงฆ์สามคัคคีโบสถก็ทําเมื่อวันไหนก็ได้ที่สามคัคคีในสมัยนักตถาก็มีเพิ่มวันอุโบสถวันห้าคำแล้วก็มีปฏิชาคราอุโบสถปาฏิหาริย์อุโบสถแล้วของพระก็มีสามคัคคีโบสถซึ่งทํามื่อไรก็ได้เพราะนั้นถ้าเราถื อ, อกิจกรรมเป็นหลักเรามานึกถึงยุคสมัยนี้นั้นเราก็อาจจะกําหนดวันอุโบสถขึ้นมา ให้เหมาะากยุคสมัยนี้เช่น ว, ว่าวันเสาร์หรืออาทิตย์เลือกสักวันหนึ่งหรืออาจจะเอาอย่างที่ว่าใครจะรักษาให้จริงจังมากมีความขนขวายมากก็รักษาทั้งสาวอาทิตย์ถ้าใครไม่มีความเพียรมากก็เอาวันเดียวเจ็ดวันครั้งหนึ่จ ง, จ, งจะเอาวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ มาตกลงกันสักดีเมื่อกันให้เป็นหมู่สังคมชาวพุทธใช่ไหมเราก็เรียกอุโบสถชนิดว่าอุโบสถอะไรล่ะ อ, อ, อาจจะตั้งชื่อกันมาสักชื่อหนึ่งใช่ไหมอุโบสถแบบสุริยคติถ้าพูดอย่างง่ายๆหรืออุโบสถสุริยญาตินะคําผลก็มีคำว่าสุริญาตสุริญาตก็คือสุริยะญา ต, ตรานะิการญา ต, ตราของพระอาทิตย์ ก็ลองคิดกันดูนะหรือจะตั้งชื่อตามยุคสมัยยุคนี้เป็นยุคอะไรตวอุโบสถยุคอุตสาหกรรมนะหรืออะไรเนี่ยนะหรืออุโบสถยุคโลกาภิวัตน์นะหรือตั้งมาให้มันยาวนักเอาคำสั้นๆนะก็แล้วแต่นะคือชาวพุทธน่าจะคิดกันนะก็มาจัดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยให้เป็นวันอุโบสถไปซะนะ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 เพราะมัวแต่วุ่นวายไปในการงานห้าวันแล้วห้าวันนี้มีแต่เรื่องยุ่งใจตลอดใช่ไหมคุณมัวเศร้ามองโลภโทสะโมหะมากมุ่งจะหาเงินเอาอย่างไรนะี่แล้วเวลาเย็นไม่พอจะไปหาสิ่งบำรุงเลอเสพสุ ก, กันมัวเมาลุ่มหลงนะี่ยว่าเราจิตใจก็วาวุ่นเดือดร้อนกระวนกระวายมาตลอดพอวันที่6ที่7ด แทนที่จะได้หยุดจากสิ่งเหล่านั้นกลับซ้ำหนักเข้าไปอีกนะไปหาความรุ่มหลงมงัวเมาเป็นวันหยุดงานงานนั้นมีความหมายแบบว่าแบบฝรั่งงานของฝรั่งก็คืองานเป็นภาระเนะเป็นสิ่งที่หนักอกหนักใจเนะเป็นสิ่งที่จำใจจำฝูนทนทรเนะี่คู่ฝรั่งจึงต้องมีเลชเชอร์ฝรั่งมีเวิร์กกับเลชเชอร์ เวิร์งานนี่หมายถึงสิ่งที่ต้องทำด้วยความรู้สึกจำใจจำทนแต่ต้องขยันต้องมีความเพียรต้องสู้มันทีนี้ก็ต้องหาวันพักผ่อนะก็เลยมีเลชเชอร์ก็มีวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันที่สำหรับเล t เชอรนะ์สำหรับที่จะได้ปลอดโปร่งเบาจากเรื่องที่หนักนั้นแล้วก็อาจจะไปหา Entertainment เรื่องของการบันเทิง เลยเถิดไปก็มัวเมาลุ่มหลงเพลิดเพลินเลยเป็นวันพักผ่อนนะวักพักผ่อนเลยเชื่อแต่มันเลยเถิดไปมันไปสนุกสนานมัวเมากันใหญ่แล้ถ้ามองในแง่นี้วันทํางานก็กลายเป็นวันทําความดีวันหยุดก็เลยวันหยุดทําความดี <c oughs> เป็นวันที่ไปหยุดทําความดีไปทำแต่สิ่งเลวร้ายไปเลยถ้าอย่างงี้ก็แย่ใช่ไหแทนที่ว่าเออเราไป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 หยุดทำความดีแต่หมายถึงว่าหยุดทำภาระหน้าที่ด้านหนึ่งมาทำอีกด้านหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากขึ้นใช่ว่าแทนที่จะไปตอนนั้นเจวหวันนะี้ไปทำงานด้านเพื่อชีวิตของตนหรือหน้าที่การงานประจำพอวันที่6ที่7นี้ก็หันมาทำงานที่เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นแก่เพื่อนมนุษย์แก่สังคมบําเพ็ญประโยชนนะ์หรือถ้าเป็นตัวเองก็พัฒนาจิตใจและปัญญาอย่างที่ว่า ดังนั้นก็จะมีเป้าหมายมากขึ้นเป็นประโยชน์แล้วก็มานึกกันในแง่ว่าจะจัดกิจกรรมอะไรดีเาจะถือว่าวันอุโบสถก็คือวันที่เราเป็นอิสระจากสิ่งเสพก็ได้เ น, น่เป็นวันที่ทาชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นอิสระปลอดโปร่งโล่งเบามากขึ้นไม่ใช่เป็นวันที่ไปลุ่มลหลงบัวเมายิ่งขึ้น ก็ได้ทั้งในงแง่ของหนึ่งการที่ว่าวันอุโบสถเป็นวันที่ชีวิตเป็นอิสระจากสิ่งเสพจากความรุ่งหลงหมมเมาเนี่ยเป็นเข้าหาสิ่งที่เป็นสาระและก็สองก็คือว่ามาใช้ชีวิตที่มันเน้นเรื่องการพัฒนาจิตใจและปัญญาเนี่ยและการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นและจะแก้ปัญหาของสังคมยุคนี้ได้ด้วย พอยุคนี้นี่มันยุคที่เป็นสังคมบริโภคมัวเมาเสพกันเรื่อยแล้วพอถึงสาวาทิตยิยงหนักเข้าไปอีกนะการล้างผลนพวกทรัพยากรธรรมชาติก็มันหนักมากในวันสาวาทตย์ด้วยนี่เราไปดูในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องอุโบสถไว้ให้มาดูในแง่ว่าท่านมู่งให้ใช้วันอุโบสถนี้ทกิจกรรมอะไรนะ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 พระเเจาสัตภาษาประเภทคือหนึ่งโคปาแล้วก็อุโบสถอุโบสถแบบในโคบลาล2นิคันทะอุโบสถอุโบสถแบบนิครนแล้วก็สอริยะอุโบสถอุโบสถแบบพระอริยะหรืออุโบสถของอริยชนก็ได้ไปเรียกพระอริยะอาจจะรู้สึกว่าไกลตัวไปหน่อยอุโบสถของอริยชนนี้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 พวกนี้จะกินอะไรดีพวกนี้จะกินอะไรวางแผนบอกว่าใจอยู่ได้ความโลภนะคิดถึงความอยากใจไม่ได้ทําให้บริสุทธินะ์ก็เลยว่าคิดแต่เพียงว่าพวกนี้จะกินอะไรกินอะไรที่ไหนนะนนี้เรียกว่าการรักษาอุโบสถแบบในโคบาลนะทีนี้สองการรักษาอุโบสถแบบนี้ครนหรือนิคันท่าอุโบสถเป็นยังไง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 กมหมายความมาแบ่งมีเมตตาต่อสัตว์เฉพาะในเขตหนึ่งเขตหนึ่งนะทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นนิครนเขาก็จะสอนลูกศิษย์เขาเขาบอกว่าท่านทั้งหลายผ้าพอนนี่ไม่ต้องนุ่มนะแก้ผ้าให้หมดอันนี้ก็เป็นหลักเขานิครนเขานินครนเขาจะไม่นุ่งผ้าใช่ไหมยิ่งในสมัยพ<ม>ุทธ ก, กาลด้วย ตอนหลังมาแตกเป็นสองนิกายเป็นนิกายแก้ผ้ากับ น, นิกายนุ่งผ้าขาวทีนี้ในสมัยวุตถการนั้นคงยังไม่ได้แยกนิกายเพราะว่านิครนอยู่ตัวศาสดานิครตาตบุตรอยู่นี่เขาก็จะแก้ผ้าเลยเขาก็จะสอนสาวกบอกว่าท่านทั้งหลายผ้าผ่อนก็ไม่ต้องนุ่งนะแล้วก็ไม่ต้องยึดมัน่นถือมั่นอะไรทั้งสิ้นนะพูดว่า อะไรแต่อะไรก็ไม่ใช่ของเราเรามายึดมั่นในสิ่งไหนต่อใครอะไรทั้งสิ้นนี่ก็คือหลักนิโครนิโครนก็ถือว่ามายึดมั่นที่เขาแก้ผ้ากรเพาะเขาไม่ยึดมั่นอะไรทั้งสิ้นตัวนิโครนเองก็แปลว่าไม่มีกิเลสเครื่องผูกรัดนี่ขันธ์นี้แปลว่าไม่มีขันธ์ว่าวกิเลสเครื่องผูกรัด ก, ก็หมายความว่าทางรัฐที่นิโครนนี่เขถือความมายึดมั่นถือมัน่น ถือแรงมากนี่เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่นุ่งผ้าเขาถือว่าพุทธนี่ยังยึดถืออยู่ยังนุ่งผ้าอยู่ท่านถ้าไม่นิยต์มั่นจะมานุ่งผ้าอะไรเล่า ว, ว่างั้นเถอะเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับพุทธศาสนานิครณ์นี่นิครณ์นี่จะมีหลักใหญ่ที่เป็นข้อสังเกตที่ต่างจากจพุทธศาสนาขึ้นหนึ่งแล้วถือลัทธิกรรมเก่าที่ว่า คนจะได้ดีมีสุขมีทุกข์ยังไงเป็นเพราะกรรมที่ทํารร้ชาติปางก่อนที่พระเจ้าไปเถียงเป็นสูตรหนึ่งเลยชื่อว่าเทวตหสูตรแล้วก็ตรัสไว้ในเรื่องของลัทธิสลัทธิที่ไม่ใช่พุทธศาสนานะลัทธิถือว่าอะไรอะไรก็เป็นเพราะกรรมเก่าในชาติก่อนนะทําที่ทําไว้แต่ปางก่อนไอ้กรรมที่ทําไว้แต่ปางก่อนปุกเพกะตะเหตุวาแล้วก็สองลัทธิที่ถือว่าอะไรจะอะไรจะเป็นไงได้สุขได้ทุกข์ก็เป็นเพราะ เพราะผู้เป็นเจ้าบรรดาลแล้วก็สามลัทธิที่ถือว่าอะไรจะเป็นไงก็แล้วแต่โชคถึงเวลามันก็เป็นเองนะฮะเรียกว่าลทัทธิอเหตุตัวปัจจะยะัยสามลทัทธิเนี่ยไม่ใช่พุทธศาสนาทีนี้คน ชาพุทธเนี่ยถ้าไม่รู้จักนิครนเนี่ยจะเอามาปนกับพุทธศาสนาทั้งสองเรื่องเนะี่ยหนึ่งรัติกรรมเก่าสองทัตไม่ยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมดีไม่ดีก็มายึดมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นแรงเขาก็เป็นบ น, นิครณก็ไม่ต้องนุงผ้า น, ะนี่นิครณแกแก็แนะนําลูกศิษย์แกบอกว่าอา้วาววันอุโบสถก็อย่างที่ว่านนะก็ไปลว่าไม่ต้องนุงผ้าพ่นแล้วแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้ามายึดมั่นสิ่งใดต่อใคร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 ทำด้วยปัญญานะไม่ได้ทําด้วยควา ม, มงมงายอนี้ถ้าไปถือแบบนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าไปถืออุโบสถแบบนี้เรียกว่านิคันธอุโบสถอุโบสถแบบนิคนนะทีนี้ต่อไปอริยะอุโบสถอุโบสถแบบอาริยชนเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าก็คือว่าใช้วันอุโบสถนั้น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 ไม่เหมือนพระภิกษุก็เจริญพุทธานุสติแล้ลึกถึงพระพุทธคุณพระพุทธเจ้ามีคุณความดีอย่างนี้นะก็เราก็จะได้มีศรัทธาเลื่อมสายจิตใจผ่องใสอย่างน้อยแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วลึกถึงพระคุณของพระองค์ความดีของพระองค์ที่ได้ระเพ็มาด้วยพระปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณมหากรุณาคุณแล้นะได้เห็นพระจริยาวัดของพระองค์ทำมาอย่างนั้นนั้นก็จิตใจก็ผ่องใสก็จิตใจก็บริสุทธิ์ชาระจิตใจหรือว่า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 เป็นผู้ประเสริฐนะมีพระคุณเป็นพรหมพรหมในความหมายของพุทธศาสนานี่ไม่เหมือนพรหมในศาสนาพราหมณ์ฮะแปลว่าประเสริฐแล้วก็หรือว่าจะระลึกถึงคุณของพระธรรมก็ได้จเจริญธรรมานุสติระลึกถึงคุณพระธรรมก็โอ้กว้างขวางแผ่ไปสารระลึกถึงในแง่ความจริงก็ระลึกไปได้นะความจริงเป็นยังไงความจรงิงของธรรมชาติเป็นยังไงนะในระลึกถึงในแง่ความดีงามก็ได้นะ แล้วลึกถึงตามธรรมานุสติพระคุณของธรรมะหประการก็ระลึกไปนะแล้วก็พิจารณาไปก็จะเกิดความเลื่อมใสในธรรมะศรัท ธ, ธาในธรรมเห็นคุณค่าของธรรมจิตใจก็ผ่องใสสะอาดบริ ส, าารสุทธิ์หรือว่าทําให้ตัวเองน้อมนําเอาธรรมะเข้ามาไว้ในใจของตัวเองประพฤติปฏิบัติตามอ้าวต่อไปหรือจเจริญ ถ, ถ้าธ ร, รมนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมอุโบสถ อันนี้หรือระลึกถึงสังฆ ค, คุณระลึกถึงคุณของพระสงฆ์พระสงค์มีคุณความดีอย่างนั้นอย่างนี้นะจะริญนธรรมะขึ้นไปจกนกระทั่งกําจัดกิเลสเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอระหันต์มีคุณความดีบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นอย่างนั้นอ่างนัเราระลึกเรามีจิตใจศรัทธาเรื่อมสายใจก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาผ่องแผ้วหรือว่าน้อมนํำอคุณทุกท่านมาใส่ในตนเอง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 ก็ทําให้ใจบริสุทธิ์แล้วก็มาลึกว่าเราจะประเพญศีลขัดเกลาให้ยิ่งขึ้นไปอย่างไรอย่างไรนะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นศีลอุโบสถหรือต่อไปก็อาจจะระลึกถึงเทวดายุคสมัยนั้ น, นแม้แต่สมัยนี้ก็คนก็ชอบในเรื่องเทวดานี่ยใช่ไหมอย่าไปเลี่ยงเลยไม่ต้องไปเลี่ยงเรือเทวดาแล้วแต่ระลึกถึงคุณงค์เทวดาระลึกแบบชาพุทธไม่เหมือนระลึกแบบชาว พ, พวกาศาสนาก่อนพุทธกาล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 แล้ลึกถึงว่าองค์นี้เก่งอย่า ง, งานั้นองค์นี้เก่งทางนี้บรรดาลได้อย่างนี้ชอบเครื่องเส้นอันนี้เราจะต้องไปไหว้อ่อนบอลนะแทนที่จะนึกอย่างนั้นไปขอผลปรารถนาเปล่าชาวพุทธ ล, ลึกถึงเทวดา ล, วลึกถึงอีกแบบแล้วลึกถึงว่าเออเทวดาองค์นี้นะไอท่านไปเกิดเป็นอย่างนี้ได้ได้วยคุณธรรมอะไรแนะ่มีคุณความดีอะไรในตัวเทวดาองค์นี้แล้วดูสิว่าในตัวเรามีคุณความดีไหม อย่างนั้นถ้าเทวดาออนี้มีศรัทธางี้มีศีลมีสุตางี้มีจาระย่างงี้มีปัญญาอย่างนี้เราก็มีคุณธรรมอย่างนี้เอออย่างงั้นเราก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยังงั้นได้เหมือนกันด้วยกันนะนี่เวาลาแบบชาวพุทธเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวพุทธระลึก ถ, ถึงเทวดาแบบนี้ไหมใช่ไหมไประลึกแบบนอกาศาสนาถ้าระลึกแบบว่าเทวดาองนั้นเก่งยังไงบรรดาลอะไรได้ชอบเครื่องเส้นอะไร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 เป็นการละลึกถึงเทวดาเป็นเทวตานุสติถ้าทําได้อย่างนี้ก็เป็นเทวเทวดาอุโบสถเป็นอุโบสถเทวดาใช่ไหมอ้าวละนีะ่มี ต, ตั้งแต่เทวอุโบสถพระพรหมก็คือละลึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าละลึกเทวดาก็ได้แค่เทวดาอุโบสถนี่พรหมนี่ต้องพระพุทธเจ้านี่พอแทนแทนที่ละลึกถึงว่าพรหมโอเป็นเทพเจ้าสูงสุดสร้างสารรพบรรดาลโลกใช่ไหม แล้วลึกถึงพระพุทธเจ้ามาค้นพบธรรมะความจริงประกาศธรรมให้มนุษย์มีพัฒนาศักิสภาพในตัวได้ใช่ไหมถ้าเราลึกถึงว่าพรมแบบพราหมณ์ก็ไปเลยนะพระเจ้าสร้างโลกเอาไงบรรดาญอย่างไงมีวันหน้าสี่ถ้าเลึกถึงพรมแบบพุทธศาสนาก็ราลึกถึงพระพุทธเจ้าไปเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมนี่คืออุโบสถทั้งหมดนี่เรียกว่าอริยะอุโบสถ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 ทําชักจูงคนให้ลุ่มหลงมวเมาหนักเข้าไปอีกใช่ไหมไม่ได้พัฒนามนุษย์จริงเลยสักวันหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยน่าจะเอาคติอุโบสถนี้ขึ้นมาเน้นกันให้มากนะ่าได้ทั้งในครอบครัวได้ทั้งบุคคลได้ทั้งสังคมได้ทั้งประเทศชาติเลยเอากันให้จริงๆในถ่ายเป็นสังคมชาวพุทธมันจะได้สมชื่อซะหน่อยนะฮะถ้าเออุโบสถมันเลือนหายไปเป็นเรื่องคนแก่นิดเดียวแต่โดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยน่าจะคิดกันให้มาก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 มีแต่ว่าจะพากันไหลาตามกระแสแล้วก็มีการซ้ำเติมกระแสหนักเข้าไปอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นยาเสพติดก็จะต้องมากขึ้นโรคเอดก็จะต้องมากขึ้นใช่ไหมถ้ารักษ า, าบโบสถมีวันนุโบสถ์นี่จะแก้ปัญหายาเสพติดแก้ปัญหาโรคเอดอะไรต่างๆนะแก้ปัญหาเรื่องค่านิยมทางสังคมที่รุ่มหลงเพลิดเพลิ น, ลนมวัมวเมาแก้ปัญหาความฟุง้งเฟ้อ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 พอได้บุญใช่ไหมก็เลยขาดเจตนารม์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จริงๆตอนแรกผมมองเลยนะครับพยายามจะหากิจกรรมใหเด็าแต่ตอนนี้เนี่ยผมเจตนามองว่าผู้มองเป็เด็กเองไม่มีปัญญาแล้วก็ไม่มีผู้แนะนบขาดการยานมิตรแล้ก็ไม่มีปัญญาพอที่จะหากิจกรรมก็ไปตามระแส ใช่เลยเรียนดนตรีหรืออะไรที่จะเป็นประโยชน์กับเด็กใช่แล้วก็เาก็พ่อแม่ก็ยอมรักลูกเลยแต่รักลูกก็หนึ่งก็ตามบำรุงบำรเลเด็กนะเอาใจเด็กอยากแสดงความรักก็เพิ่มเอาวัตถุถมเข้ามาถมเข้ามาแตกตายเป็นเด็กเสียเลยใช่ั้ยไม่ได้พัฒนาเด็กหรือว่าไปก็ได้แค่เอาพอได้กิจกรรมอะไรไปดนตรีบ้างอะไรบ้าง มันก็ไม่มีไอ้ตัวเป้าหมายชัดเจนคือสักแต่ว่าพอให้ได้พักผ่อนบ้างพอให้ได้มีกิจกรรมดีๆหน่อยไม่ไปเสียหายแต่ไอ้เป้าหมายที่มันชัดมันไม่มีว่าทั้งหมดในเพื่ออะไรใช่ไหมไม่ได้ถูกตามง่าอ่าไม่มีไอ้ตัวเครื่องมือก็ไม่มีและเป้าหมายนี่ก็ไม่มีเจตนาลมของไอ้เรื่องของการใช้วันหยุดเนี่ยว่าเพื่ออะไรมันไม่มีชัดเจน แล้วมันใช้ยังไงจริงๆเป็นการพัฒนาเด็กได้ดีแล้วก็จะแก้ปัญหาสังคมไปด้วยมันไม่ได้มองอะไรให้มันเห็นตลอดเลยพอจะได้ทําไ ป, ไ ป, เ, ไป เ, เป็นเรื่องๆไปเรื่องเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งนะมันเสร็จเสร็จไปเท่านั้นเองไม่ต้องปัญญาชนชั้นสูงเขาต้องการศึกษาอย่างดีนก็ยังมองไป่างแนทางม่เห็นนะฮะก็ทําได้แค่นั้นอันนี้พระเราก็ต้องมาช่วยกัน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 และจะทำกิจกรรมอะไรบ้างอันนี้ฝากไว้ให้ช่วยกันคิดนะฮะมีอะไรสงสัยไหมครับคุณหมอมามาที่อโมวัดนุ่นกั น, นะครับแต่ว่าปรับคำถามมาสองคำถามคถามแรกก็คื อ, อทางคริสเนี่ยเขามีหลับคำสอนอยังไงที่ฉัดจูคนให้มาทุกวันอาทิตย์ได้นะครแม่กรท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 ทำอะไรขึ้นมาอะไรสำหรับบริบณสดหรือว่าหรือเป็นเครื่องชักจูงคนเข้าวัาดโดยทั่วไปในตะวันตกเองเวลานี้นะมันก็มีกระแสกลับเหมือนกันว่าคนเริ่มกลับหันเข้าหาศาสนาอีกเพราะว่าจิตใจมันหาที่พึง่งมันมีความเสื่อมโทรมทางสังคมแต่ว่าว่าโดยแนวโน้มที่ผ่านมาในอเมริกาในคนทิ้งนะทิ้งมากเขาไม่ค่อยไปแล้วครับโบสถ์นี่แล้วก็พวกบาทหลวงพวก นักเผยแพร่ศสนาคริตเนี่ยก็ไม่มีเงินเลี้ยงโบสก็ต้องขายโบสถ์แต่ารบริการดูเหนียวแน่นกว่าทางฝรงังร่งเศสทายุโรปก็ยังไม่สิ้นโอ้ยฝรั่งเศสไงฝรัร่งเศสคนฝรั่งเศสมาหาผมเองนะเขามาเขาบอกเอ๊ะทำไมมืองไทยตอนเชา้ามีคนตักบาทหน้าตายิมยม้มแย้มบอกไม่เหมือนประเทศเขาเลยประเทศเขานี่เขาไม่เอาเรื่องแล้วโบสถโบสถ์นี่ไม่มีคนรักษา นะปิดไว้คนก็เข้ามางัดมาลักเอารูปเจ้าแม่มารีมาเรียเนี่ยเอาไปหลอมเพราะเป็นทองคำแล้วไปขายกันพอเขาไม่เอาแล้วโบทถโบส ท, ท, ทิ้งหมดแล้วก็คนก็ไม่มีจะบวชเวลาจะแต่งงานทีจำเป็นต้องทำพิธีบางทีต้องไปหาจังหวัดไหนจังหวัดไห น, หไหนอื่นๆมาหาบัดหลวงมาทำพิธีไม่มีบัตรหลวง ฝรังเศสนี่แย่มากแล้วนะเขาบอกเขามาเห็นเมืองไทยนี่แปลกใจเอ๊ะทำไมคนไทยยังเอาใจใส่ศาสนานี่เป็นภาพของเขานะใช่ไหมเอ้เราไปมองว่าฝรั่งยังเอาใจใส่ไปโบสถ์ที่ไหนได้ฝรั่งมาเมืองไทยกลับบอกทำไมคนไทยยังเอาใจใส่ศาสนายังตักบาทยังเกี่ยวข้องกับพระนี่นคนละแบบาศาสนาจะเสือรร่อมถอไทุประเทศครับ มันมันมันเสื่อมมานานแล้วเพราะว่าคนไม่เห็นความสําคัญแล้วเขาเรียกว่า God dead กอดอิสเดนเงี้ยแล้วพราะผู้เป็นเจ้าตายแล้วงั้นนะฮะแล้วตอนนี้มันเริ่มจะพลิกฟื้นตอนเนี้แหละกําลังเริ่มกลับขึ้นมาบ้างในอเมริกานี่อเมริกาเขากลับถือว่าประเทศเ ข, ของเขานีเป็นประเทศที่สนใจศาสนามากกว่าประเทศตะวันตกด้วยกันนะฮะเราถือว่าอย่างนั้นเนี่ย<ญ> In God We Trust yeah. <Yeah. S 1> แต่แต่นั้นก็เป็นคติของพวกผู้นำแต่หมายถึงว่าประชาชนนี่เองโดยเทียบกับประเทศอื่นๆเขาบอกเขาเอาใจใส่สนใจศาสนามากกว่าแต่ถึงกระนั้นก็ถ้าพูดโดยทั่วไปแล้วก็ <c oughs> ก็อิทธิปนศาสนาเสื่อมมาตลอดระยะยาวนาน <c oughs> ก็อย่างวัดไทยเราอยู่ในอเมริกานี่เราก็ซื้อโบสถ์คริสต์มาทำวัดหลายแห่ง yeah. ทิจิกาโก้ก็ซื้อบทฝรั่งมาที่เดนเวอร์ก็ซื้อบทฝรัง่งแล้วก็ที่อะไรอ๋อก็วัดนิวยอร์กวัดที่ลองไอแลนด์ก็ซื้อบทฝรัง่งแล้วบทเก่าๆเขาสร้างอย่างดีมากหินอย่างแล้วก็ใช้ก้อนหินแล้วก็สร้างอย่างดีมากนะเขารักษาไม่ไหวต้องขายมีบริเวณกว้างขวาง เมื่อเงินน้อยลงมันก็หมดกำลังแล้วมีฝากไว้ถ้าชัเกนแต่สมัยผมยังก็ะะ้ทาเป็นบสพระก็เห็นว่าอนม่สสันี้ดูว่าผู้หญิงเนี่ยมามาวัดเนี่ยมาชาฝากไว้นะครัยังไงอันนี้เคยตอบไปแล้วตอบเป็นนานแล้วตอบเรื่องผู้หญิงอ่า คือว่ามันมีหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างคือว่าหนึ่งผู้ชายตกอยู่ในความประมาทใครว่าตัวเองจะบวชก็ได้จะอะไรก็ได้สนใจเมื่อไรก็ได้นีก็เลยเลื่อยเฉยส่วนผู้หญิงเขามีเหตุของความเป็นอยู่ชีวิตของเขาเขาไม่สามารถไปในในสังคมที่กว้างขวางใช่ไหมเขาต้องอยู่ยในครอบครัวอะไรงนี้ทำให้เขาต้องอาหาท่องทาง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 ผู้หญิงนี่แกงานแกสมัยก่อนนะจำเจ อ, อยู่กับบ้านนะก็ไปเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็โอกาสที่จออกนอกบ้านก็ น, น้อยกว่านะและทีนี้ต่อไปก็เรื่องเรื่องเกี่ยวกับบุญกุศลนะและยิ่งผู้ชายสมัยก่อนก็ประมาทอย่างที่ว่าตัวได้บุญมากเช่จนจากการบวชเป็นตน้นผู้หญิงรู้สึกตัวไม่ได้บวชก็ต้องขนขวายทําบุญให้มากอะไรงี้นะแล้วก็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 แต่ผู้ชายนี่จะเป็นรุ่มหลงโวเมากระสิ่งเสพติดกระเหล้ากระยากระผู้หญิงโอ้ยมันโมจะไปใช้ชีวิตกับความรุ่มหลงนั้นผู้หญิงแกไม่มีโอกาสเท่านั้นแต่เท่ากระทาให้แกได้โอกาสที่จะมาสนใจทางธรรมะใช่ไหมเนี่ย ก, ก็หมายความว่าโดยชีวิตในทางสังคมนี่ทำให้แกมีวินัยมากกว่าผู้ชายเ น, น, ยนีนั่นสิก็รวมแล้วก็คือผู้ชายนั้มัน โมเมาในยาเสพติดสุราเมรัยเรื่องผู้หญิงเรื่องการเที่ยวมากมายใช่ไหมผู้หญิงเขาโอกาสในทางสังคมโดยประเพณีมันช่วยเขาในการปิดกั้นทางที่จะไปเลวทรามหลงไหลเหล่านั้นเนี่ยต่อไปผู้หญิงก็จะไม่เบาละตอนนี้ก็จะสังคมก็เปลี่ยนแปลงไป